จจตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิต ท, ที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจจตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขารเมื่อโลกเวทนาสัญญาหายไปแล้วผู้ ภ, ภาวนาจะมีความรู้สึกว่าสังขารยังเหลืออยู่วิญญาณก็ยังเหลืออยู่แต่วิญญาณที่ยังเหลืออยู่ในลักษณะของการรู้ยิ่งเห็นจริงนั้น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 มันจะมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าสีติภูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คำถามที่ว่าตัวโลภขันนั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหมอันนี้ตามปรากฏการที่ปรากฏผ่านมาโลภขันคือโลภนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่เคลื่อนไหว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 พุทิภาวนามีภูมิจิตถึงขั้นนี้แล้วหน้าโลโมทนาใกล้จะสำเร็จแล้วเร่งๆ เ, เขาเอาในปัญหาต่อไปข้อหนึ่งจิตตอนที่จะทิ้งสมมติบัญญัติเข้าสู่ปรมัตินั้นมีสภาพเป็นอย่างไร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 เห็นว่าโลกเวตนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีภาษาสมมติบัญญตัตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้เรื่อยๆไปอย่างนี้ในเมื่อจิตกำหนดดูตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งมีความสัมพันธ์กับจิตจนกว่าจิตจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริง เมื่อเจตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจิตจะตัดกระแสแห่งความรู้อันมีสมมติบัญญัตินั้นให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่างเมื่อเจตเกิดความว่างขึ้นมาแล้วในอันดับต่อไปเจตจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิของปรมาติธรรมเมื่อภูมิความรู้อันใดเกิดขึ้นมาในขณะนี้ จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมติบัญญัติถ้ามองเห็นรูปสมมติว่าอาจจะเห็นนิมิตปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นเช่นอย่างเห็นร่างกายนอนตายเน่าเปื่อยผุพังติดก็จะอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติว่าอะไรแม้แต่เห็นรูปของตัวเองอย่างนี้ก็จะไม่ว่ารูปของตัวเอง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 ยังมีปัญญาอยู่สองอย่างครับมรกแปดในเมื่อโภมจิตของผู้ดำเนินมรดยังไม่ประชุมพร้อมลงไปเป็นหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏมีอาการเช่นยัง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 เพื่อมุ่งผลแห่งความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเขียนจริงในสภาวัตธรรมตามความเป็นจริงในเมื่อศีนก็บริสุทธิ์ความตั้งใจก็มั่นวัตถุประสงค์ของการภาวนาก็ไปในแนวทางที่บริสุทธิ์เป็นอุบายที่จะทำให้จิตสงบลปงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิที่สงบโปงเป็นหนึ่งเพียงแต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้เป็นแต่เพียงมีสมาธิองเดียวเท่านั้น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 ในเมื่อมรักทั้งแปดนี่รวมกันลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หนึ่งไม่มีสองในเมื่อยังไม่ได้ประชุมพร้อมมันก็ยังมีการแยกกันเป็นสองคำถามที่ว่าทำไมมรักแปดปัญญาในมรักแปดจึงมีสองก็เพราะเราไปพูดตามอาการในเมื่อเราทำจิตให้เป็นสมาธิประชุมพร้อมด้วยอริยมรักแล้วสัมมาทิทฐิกับสัมมาสังกัปปะรวมเป็นอันหนึ่ง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 วัดถูนั่นขึ้นมามันจะวิ่งทันทีมันกลิ้งอยู่อย่างงั้นแหะพอไปตะครุบพับมันก็นิ่งพอหดนิ้วมือข้นคล่อนจะหยิบยกมือขึ้นมันไม่ติดพอพ้นจากมือเมื่อไหร่มันวิ่งไล่ตะคุบกันลงผลสุดท้ายมันก็กลิ้งตกจากแผ่นกระดานลงไปไปถูกกับพื้นดินพื้นดินนั่นก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นพื่นปูนซีเมนที่เขาเทปูนซีเมนไว้ พอตกพักลงไปก็เห็นมันกลิ้งไปนิดหนึ่งแล้วก็หายวับไปกับตานี่นี่เหล็กไหลที่เคยเคยเห็นมาด้วยกับตาด้วยตาหลังจากนั้นก็เลยหมดความอยากได้เหล็กไหลก็เลยหายปัญหาข้อที่ห้าควรจะปฏิบัติอย่างไรกับเรื่องสารพระภูมิจึงจะเชื่อว่าไม่งมงาย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 เมื่อพระภูมิได้อารมณ์โธนาแล้วก็บอกพระภูมิว่าอาท่านจะอนรมณ์โธธนาหรือไม่อนุมณ์โธธนาเราก็ไม่รู้ละ่ะแต่เราทําบุญแล้วเราอุทิศย์ส่วนบุญให้ท่านเมื่อท่านได้อนุมณ์โธธนาแล้วท่านจะพ้นจากความเป็นผีพระภูมิอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปก็ได้แต่การไหว้เนี่ยคนที่มีพระพุทธระธรรมประสงค์เป็นสาระาที่พึ่งที่ระลึอกอยู่ในจิตในใจเนี่ย เราจะไหว้ลงที่ไหนก็ถูกพระเราทุกคนทุกแห่งเพราะเรามีคุณพระอยู่ในจิตในใจการไหว้พระโภมเพียงแต่เพียงแต่แสดงคารวะโดยที่เราถือว่ามีอะไรอยู่ที่นี่เพียงแค่นั้นไม่ทำให้ใ ห, ให้เสียคุณพระรัทธนัทไรเป็นการแสดงความมีน้ำจิตน้าใจนิดหน่อยเท่านั้นเหมือนเหมือนกับเราไหว้เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ไม่ขาดจากพระไตรสนนคม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 เคสจนกระทั่งจิตของเราเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ตรงนี้ในขั้นต่อไปเราจะบริกรรมภาวนาว่าอาัติอัติก็ได้แล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะเกิดนิมิตเห็นโครงกระดูกในปัญหาต่อไปข อ, ขอกราบเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธินานๆแล้วรู้สึกว่าขาเป็นเน็บชาจะต้องเปลี่ยนอธิยาบทหรือไม่อันนี้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 เลยเป็นจิตหลุดพ้นจากกิเลสแต่ถ้ามันว่างๆมันก็หลุดพ้นอยู่เฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆถ้าว่างบ้างแล้วออกมามาลู้อะไรไม่มีอาการของจิตขึ้นความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความรักความชังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันไม่มีอันนี้มันก็เป็นจิตหลุดพ้นแต่ถ้าออกมาแล้วมันเกิดมีกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันอยู่